อ, อีกในหนึ่งพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในอุโพอัถสูตรในโกสละสังยุตอย่างนี้ว่าที่รชนท่านเรียกว่าบัณดิตเพราะได้รับประโยชน์ทั้งสองอย่างคือทิฏฐธรรมิกะทะประโยชน์หนึ่งสัมปรายิกะทะประโยชน์หนึ่งชนเหล่าใด ได้รับประโยชน์สองอย่างคือปฏิบัติเพื่อได้รับประโยชน์นั้นชนเหล่านั้นชื่อว่าบัณฑิตชนเหล่าใดตัดประโยชน์สองอย่างถือเอาสิ่งอันไม่ใช่ประโยชน์สองอย่างชนเหล่านั้นชื่อว่าผานความจริงชนเหล่านั้นท่านเรียกว่าพานพระวิเคราะห์ว่า ถือเอาสิ่งอันไม่ใช่ประโยชน์สองอย่างและเรียกว่าผานเพราะวิเคราะห์ว่าตัดประโยชน์สองอย่างลันตีติกิริยาสัตโดกิริยาศัพท์ว่าลันติจัดเข้าในหมวดธาตมีภูธาตเป็นต้นนิคเฮนะโดยหลักว่าลาธาตมีทวิศัพท์เป็นบทเคียง เป็นไปในความถือเอาลุนันตีติกิริยาสัตโดกิริยาสับว่าลุนันติจัดเข้าในหมวทธาตมีกี่ธาตเป็นต้นนิเกเฮนะโดยหลักว่าลุธาตมีทวิศัพ์เป็นบทเคียงเป็นไปในความตัด